ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่91โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP สแผ่นที่91ให้คติธรรมหัวข้อว่านัตติชานังอปัญยัตสะคนไร้ปัญญา ย่อมไม่พินิษพิจารณา MP 3แผ่นนี้เริ่มต้นที่จะแจกในงานกระถินหรือว่าออกพรรษาปีพุทธศักราช2559เป็นแผ่นเริ่มต้นจึงได้ทำเป็นแผ่นออกมาเพื่อแจกให้กับผู้ที่สนใจ ในการฟังในการศึกษาและก็ให้คติธรรมอย่างที่ได้พูดได้กล่าวว่าคนไร้ปัญญาย่อมไม่พินิษพิจารณาเมื่อคนไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นคนโง่แล้วจะพิจารณาอะไรก็คงจะไม่ชัดเจนไม่ได้เพราะนั้นคนที่มีปัญญามีปัญญามากมา ก, ก็เห็นคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ได้มากเห็นคุณบิดามารดา เห็นผู้มีพระคุณเห็นคุณของผู้มีพระคุณได้มากถ้าคนโง่เหมือนกับคนสายตาสั้นก็มองเห็นไม่ได้ไกลนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆทก่านใครๆก็ไม่อยากจะสายตาสั้นใครๆก็อยากสายตายาวด้วยกันทั้งนั้นแต่ก่อนที่จะสายตายาวได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการเรียนรู้ฝ่ายในการศึกษาฝ่ในการเรียนรู้ต่อไปแล้วก็สายตา เรื่องสติปัญญาของเราก็จะยืดยาวเสียบแหลมต่อไปถามว่าผู้ไม่สนใจไฝ่ในการศึกษาจะเป็นผู้มีสติปัญญานั้นคงเป็นไปไม่ได้ด้วยอำนาจคุณพระศรีทัตนาตรายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทิน